ผู้ที่เข้าใจตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจ ผู้อื่นได้ท่านอาจารย์วศินอินทศรัผู้ที่เข้าใจตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้อันนี้เป็นคำพูด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 เราต้เริ่มต้นจากตัวเราก่อนจิตใจคนเราเนี่ยมันคล้ายๆกันเราอยากจะรู้จิตใจเขาเราต้องเริ่มต้นศึกษาจากจิตใจของเรารู้เราเราก็จะรู้เขาด้วยเมื่อรู้เขามันก็รู้เราแล้วสําคัญคือที่ตัวรู้อย่างไรก็ตามเราจะเข้าใจเขาหรือเข้าใจเราได้นั้นจะต้องอาศัยเครื่องมือสําคัญก็คือตัวสติ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 อยู่ที่ทํางานอยู่ไหนก็ตามเราสามารถที่จะเจริตสติได้ทุกคนทุกแห่งไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่รู้สึกตัวไปเรื่อยๆยแต่ว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านห่างไกลครูบาอาจารย์ เ, ยเราจะไปต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่เป็นสัมมาทิฏฐิซะหน่อยเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะ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 เรื่องเกี่ยวกับการดับทุกนี่แหละถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านธรรมะการยาณมิตรช่วยเราได้เพราะฉะนั้นห่างกายครูบาอาจารย์อาศัยการยานามิตรเป็นเพื่อนในการเจริญสติอันนั้นเป็นฝ่ายบุคคลแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถแสวงหาเพื่อนได้จะเป็นต้องอยู่คนเดียวหรือห่างไกลเพื่อนก็ไม่เป็นไร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 และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตนเองปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันทําอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตนเองต้องขยันขยันจิตสำสติอยู่เรื่อยๆทําบ่อยๆทําทั้งวันทําทั้งวันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องนั่งอยู่ในห้องพระทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีอิริยาบถอะไรทําหน้าที่อะไร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 เราต้องมั่นใจในตัวเราเปิดใจกว้างว่าเราทำได้อย่าไปคิดว่าโอ้มันยากเย็นนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้มันคงทำไม่ได้หรอกอันนี้แสดงว่าเราปิดประตูตัวเองนะเราต้องเปิดประตูใจเราคนหนึ่งที่ทำได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองนะเราจะาทำได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ล่วงเลยไปก็ดึงเอาอายุเรานี่หมดไปแต่ละ ว, วนัววนแต่ละวัน